เป็นนี้เป็นบันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของพระราชวุฒาจารย์หรือหลวงปู่ดูนอตุโลเรื่องหลวงปู่ฝากไว้รวบรวมบันทึกไว้โดยพระโพธินันธมุนีประวัติของหลวงปู่ พระเถระที่เป็นสหธรรมิกและมีอายุรุ่นเดียวกันกับหลวงปู่นครราชสีมาและหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำ หลวงปู่อ่อนญาณศิริวัดป่านิโครธารามจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ 3 อคินจโนวัดป่าไตรวิเวกจังหวัด ถึงหลวงพ่อเปลี่ยนโอภาโสวัดป่าโยธาประดิษฐ์จังหวัดสุรินทร์พระชินวงศ์สาจารย์วัดประดึง มากกว่าการเทศนาสั่งสอนการเทศนาสั่งสอนสำหรับพระสงฆ์และญาติโยมๆแต่มีความล้ำลึกสูงชั้น 2431 ที่ ตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านเกิดคน 4 คนเมื่อ 22 ปีหลวงปู่ได้อุปสมบทที่วัด 6 หลวง ห่มนักอยู่ที่ถึงแปลมูลกัดจายได้สุทธาสนารามเพื่อเรียนปริญญาติ ทำการเผยแผ่ธรรมะในสายพุทธโธจนแพร่หลายมา จึงตัดสินใจเลิกละ 19 ปีจึงได้ เพื่อจัดการศึกษาด้านปริยัติธรรมจัดการศึกษาด้าน 2477 จวบจนบั้นปลายชีวิต โดยหลวงปู่รับภาระทั้งฝ่ายคันธธุระและวิปัสสนาธุระ ได้ช่วยสงเคราะห์บุคคลทั่วไปได้อย่างกว้างขวางโดยไม่เลือกชนวรรณะ ได้ละเสียซึ่งสังขารตุลาคมพุทธศักราช 2526 สิริได 96 ปีกับ 26 วันพระอรหันตภาพของท่านได้เก็บ ท่านเจ้าคุณพระภูทินันท์ธมุนีได้รวบรวมและพิมพ์ไว้ คือหลักธรรมสูงสุดที่อยู่ๆเลยขอให้เลิกละการ 18 ธันวาคมพุทธศักราช 2522 พระบาท เสด็จเยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์เมื่อ ให้เพ่งมองดูที่จิตอันไหนเกิดก่อนให หลวงปู่รับได้มั้ยทั้งๆที่พระราชดำรัสนี้ ในวันเข้าพรรษาปีพุทธศักราช 2499 หลังฟังโอวาทและข้อธรรมอรึกสิง อุบาสกผู้คงแม้ในปัจจุบันเรียนคนหนึ่งสนทนากับหลวงปู่ว่ากระผมเชื่อและ เพื่อเป็นพลังเร่งความเพียรในทางปฏิบัติให้เต็มที่หลวงปู่กล่าวว่าผู้ที่ บท 227 ส่วนจริงแต่ไม่จริงตั้งใจปฏิบัติให้เช่นเห็นนิมิต ส่วนมากมากราบเรียนหลวงปู่เพื่อให้ช่วย มีผู้ถามหลวงปู่ต่อมาอีกว่านิมิตยังเป็นของภายนอกทั้งหมดเจ้ามาทํา หลวงปู่โปรดได้เออนิเวศบางอย่างมันก็สนุกดีน่า เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมพุทธศักราช 2524 หลวงปู่อยู่ในงานประจําปีวัดธรรมมงคลสุขุมวิทกรุงเทพฯมีแม่ ได้เห็นสวรรค์เห็นนิพพานของตัวเองบ้างบ้างคนว่าเห็นพระจุรามณีเจดีย์สถานบ้างพร้อมทั้งภูมิใจ เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช 2507 มีพระสงฆ์ หลวงปู่ได้กล่าวว่าคิดต่อเมื่ออยู่คิดได้จึงรู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นเรื่องทั้งส่งเสริมทั้งทำลายการ เผยแพร่ประกาศพระศาสนานั้นเป็นได้ทั้งส่งเสริมพระศาสนาและทำลายพระ ก็ยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสมากขึ้นเข้าส่วนองค์ที่มีความประพฤติและวางตัวตรงกันข้ามนี้ย่อมทำลายเรื่อง เมื่อถึงปรมาตแล้ว 2496 หลวงพ่อเถาะซึ่งเป็นญาติของหลวงปู่ พูดตามภาษาความคุ้นเคยว่าหลวงปู่ เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านพ้นไป 6 ปีผลได้ที่สงครามฝากไว้ให้พวก วันหนึ่งสามเณรพรมซึ่งเป็นหลานหลวงปู่รูปหนึ่ง ด้วยคิดว่าจะได้อย่างเขาบ้างพอเรื่องทุกข์ สุขภาพสตรีวัยเลยกลางคนผู้หนึ่งเข้านมัสการหลวง และแก้ไขให้ลูกชายพ้นจากอบายบกนั้นด้วยหลวงปู่ก็ๆตลอดถึงณอุบายทําใจให้ สมบัติผลศฐานทั้งหลายมันมีประจำอยู่ในโลกนี้มาแล้วอย่างสมบูรณ์ผู้ที่ขาดปัญญาและร้ายความสามารถก็ไม่อาจจะเส downstream Tot เพื่อยึด konkrองสมบัติเห麗่านั้นได้ ย่อมคลองตนอยู่ได้ความฝส่วนผู้ที่มีปัญญามีความสามารถ ย่อมเสrost Springs ยomma ส่วนพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านพยายามดำเนินทั้งหมดไปสู่ภาวะแห่งความไม่มีอะไรเลยเพราะว่าในทางโลก รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะดีหรือเลวมันขึ้นอยู่กับจิตที่ออก ต้องรู้จักปลดปล่อยตนด้วยตนเองพระหนวดเคราออกหมดแล้วและ ต่อเมื่อเขาสามารถปรุงสิ่งที่รกรุงรังทางใจอันได้แก่แล้วก็ชื่อว่าเป็นภิกษุในภายในได้ศีรษะที่ปรุงผมหมดแล้วสัตว์เลื้อยคลานเล็กน้อยเช่นเหาย่อมอาศัย เป็นพุทโทเป็นอย่างไรแท้พุทโธเป็นอย่างไรหลวงปู่ได้รับเมื่อวันที่ 2521 ในช่วงสนทนาธรรมญาติโยมสงสัยว่าพุทโธ ความรู้ที่เราเรียนกับตำรับตำราหรือจากครูบาอาจารย์ก็เวลาภาวนาไปให้มันรู้รู้จักจิตของเรานั่น เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งถึงที่สุดให้มันรู้ออกจากจิต ไม่มีอะไรมากมายอะไรมากเรื่องอยากได้ของพุทธศักราช 2526 คณะแม่บ้านมหัทไทยโดยมีคุณหญิงจวบจิรโรจน์เป็นหัว น. หลังจากกราบนมัสการและถามถึงอาการสุขสบายของหลวง กายวาจาก็สงบแล้วกายก็ดีวาจาใจเดี๋ยวมีเวลา เมื่อปีพุทธศักราช 2522 หลวงปู่ไปพักผ่อนและเยี่ยมพระอาจารย์ เป็นพระภาคฝ่ายกรรมฐานอยู่แล้วท่านจึงสนใจถามถึงผลของการกันเป็นเวลานานและกล่าวถึงท่านว่ามัวแต่ศึกษาและบริหารงานการคณะสงฆ์มาตลอดวัยชราแล้วก็สนทนาข้อกรรมฐานเป็นเวลานานลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ แต่ไม่เอาไม่เอาเรื่องรู้ให้พร้อมระหว่างที่หลวงปู่อยู่รักษาพยาบาลที่โรง ซึ่งเป็นวัดปฏิบัติที่เข้มขรัดฝ่ายธุดงค์กรรมฐานในยุคปัจจุบันได้ประารภการปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ถึงเรื่องการละ ที่โรงโดยที่สังเกตเห็นว่าจุฬาในรอบดึกมีจํานวน ท่านจะถามประพฤติการคือหลวงปู่ทําเช่นนั้นเมื่อเห็นหลวงปู่ทําเช่นนั้นหลายครั้งก็ทนสงสัยต่อไปเรื่องประหยัดคําพูด มีร้อยตำรวจเอกบุรชัยสุขคนสมัสอัยการจังหวัดเป็นหัวหน้ามากราบหลวง พอหาเวลาปฏิบัติธรรมได้ยากหาก 01 บางซื่อนําเดินทางไปถวายพระปาคุณ ตามสำนักต่างๆทางภาคอีสานได้แวะกราบนมัสการหลวงปู่ประมาณ 4-5 คนเข้าไปๆเพื่อ ซึ่งมักจะยาทรงจิตออกนอกเรื่องทิ้งเสียเสียสุภาพสตรีท่านหนึ่งเป็น ไว้ทุกไม่ค่อยที่ 6 ท่านทําไว้เช่นเมื่อมีญาติพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่ถึงแก่กรรมลงก็ หลวงปู่บอกว่าเรื่องจริงตามความเป็นจริงสุภาพสตรีชาวจริงคนหนึ่งถวาย ควรจะขายของชนิดนั้นบ้างชนิดนี้บ้างตาม 8 พฤษภาคมพุทธศักราช 2522 คณะนายทหารประมาณ 10 กว่านายเข้านมัสการหลวงปู่เมื่อเวลาค่ำแล้วก็ ないพลท่านหนึ่งถามว่าจราบว่ามีเรียนลงปุเอากมาหลายรุ่นแล้วอยากถามรุ่งปุว่ามีรุ่นไหนดังบ้าง รุ่งปúblicบอกว่า ไม่มีดัง เรื่อง...คนละเรื่อง มีชายหนุ่มจากต่างด Надо คน 한번 ที่ประ Siri คุ้นเคยกับพระนักเรียนองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อนแล้วสังเกต คนหนึ่งมีเขี้ยวเสืออีกคนมีนอราบต่างคนเรื่องปรารภธรรมะให้ เราเคยตั้ง 2495 เพื่อสำรวจดูว่าจุดจบของพระ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 ความว่างเปล่าเป็นวิหารธรรมของข้าพระองค์หมายถึง จึงลาตลอดถึงขอบรรพชาอุปสมบทอยู่ตลอดมาปู่หลุยมาปฏิบัติกับหลวงปู่ตลอดถึง ก็จึงไม่ต้องอ่านก็ได้มีวิตกวิจารณ์มากเรื่องแนะนําหลวงตาแนนหลวงตาแนนบวชเมื่อวัยเลยกลางคน เมื่อเห็นพระรูปอื่นเข้าออกไปทุรดงหรือ ที่รู้ว่าตนไม่รู้ก็ดีแล้ววิธีปฏิบัตินั้นส่วนวินัยให้พยายามเรื่องภาระและ นอกจากจะต้องแก้ปัญหาเล็กใหญ่อย่างอื่นแล้วก็กันแต่ลูกศิษย์หลวงปู่นั้นต้องปลอบต้องบังคับให้ไป เมื่อไปอยากไปก็มักจะอ้างว่ากระผมสิ่งเหล่านั้นไม่จําเป็นเท่าไหร่ฉันแล้วก็นั่งภาวนา แค่นี้ก็พอแล้วเรื่องปรารภธรรมะให้ฟังหลวงปู่จนตลอดอายุไขของท่านโดย หลังแชดกันก็แหงดีจิตใจปลอดโรงแล้วท่านมากจะปราระธรรมไฮส์ให้ฟัง Росс แหลวดกับค้างมัก olarak ว่า antas нов bugs このhistoireบา ความทุกข์ก็จะทับถมอยู่ร่ําไปหยุดกระหายหยุดแสวงหา ถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหน ประโยชน์ของเรื่องคิดไม่ถึงที่แท้นานคือความพ้นรูปอยากจะเคร่งครัด หรือสวดปาติโมกข์เท่านั้นครั้นออกพรรษาแล้วพากันไปกราบเคร่งของว่านอกจากข้อวัดอย่างแล้วสามารถหยุดพูดได้ตลอดพรรษาด้วยหลวงฟังแล้วยิ้มหน่อยนึงพูดว่าดี ผู้เข้านี้โลธะสมาบัติขั้นละเอียดดับสัญญาเวทนาแหละที่ไปพูดเรื่องอย่าตั้งใจ ตรงไหนที่ท่านเช่นหลวงปู่ยกพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้า คือ ...ที่แท้ อรัติอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้ภมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวรความสำรวมเพื่อปหานะความเรื่องพระพุทธพจน์ ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ตราบนั้นย่อมมี สิ่งใดอันบันดิตทั้งหลายในโลกกล่าวว่ามีอยู่แม้เรื่องผู้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 หลวงปู่กําลังอาพาธหนักพักรักษาอยู่ 3 อากิญจโนเดินทางไป 3 ขยับไป แล้วต่างองค์ต่างนั่งเฉยอยู่ตลอดระยะเวลานานเมื่อ ทําไมล้งปูจึงไม่สนทนาพูดอะไรกับท่านบ้างหลงปูตอบว่าธุรมันหมดแล้วจึงไม่จําเป็นที่จะต้องพูดอะไรเรื่องขันติบารมีเท่าที่อยู่ใกล้ชิดกับลงปูตลอดเวลานยาวนานให้เห็นว่าท่านอืดอัดหรือรําคาญจนทนไม่ได้ถึงต้องบนอุบอิบผูู้อี่้กับกรณีใดทั้งสิ้น เช่นไปๆไม่เคยเป็นเจ้าขี้เจ้าการรื้อหรือให้เขาจัดแจงดัดแปลงใหม่หรือไปในสถานที่ หรือแม้รสชาติอาหารจะจืดจางอย่างไรก็ไม่เคย ผู้ที่เข้านมัสการหลวงปู่ทุกคนและทุกครั้งมักจะ มีมีอารมณ์ดีไม่ตื่นเต้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีมีอยู่ครั้งหนึ่งดีไม่ตื่นเต้นตาม คือเรื่องไม่เบียดเบียนแม้ทางวาจาหลวงปู่กล่าววาจาๆให้เขาฟัง หลวงปู่ทำไมพระนักพูดนักเผยแผ่ระดับประเทศบางองค์เวลา ไม่มีใครเข้าจ้างหรอกเมื่อไม่อยากนับเรื่องพระส่วนมากผีส่วนครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบแนะ ให้พากันไปอยู่ป่าหาทางนิเวศหรืออยู่ตามเขาตามถ้ำเพื่อ วัตถุสิ่งของที่เจ้าบ้านเข้ามาบริจาคทำบุญนั้นแทบระวังอย่าเรื่องดีแต่ นักปฏิบัติที่ตื่นอาจารย์ตื่นสำนักใหม่ๆในปัจจุบันนี้มีอยู่มากนัก ตลอดถึงชักชวนคนอื่นให้ช่วยนับถือหรือเห็นด้วย ต่อมามีผู้เอาเครื่องเทปไปเปิดให้หลวงปู่ฟังทั้งรวยด้วยคําพูดแต่หาเรื่อง มรรคปฏิบัติลังเลใจปัจจุบันนี้ศาสนิกชนผู้สนใจ ก็ปรับทําเหมือนไม่อยากจะยอมรับคณาจารย์อื่น ที่ท่านจึงต้องมีวัตถุแนวปฏิบัติไว้หลายแนวนั้นเพราะจริตของคนเช่นพุทโธอรหังเป็นต้นเพื่อหาจุดคือเรื่อง ตื่นอาจารย์นักปฏิบัติธรรมสมัยนี้มี 2 ประเภทประเภทหนึ่ง ก็ชอบเที่ยวแสวงหาอาจารย์ไปในสำนักต่างๆได้ยินว่าสำนักไหนดีก็ไปทุกแห่ง จิตก็ไม่มั่นคงการปฏิบัติเรื่องจับกับประเภทประเภท 1 ศึกษาปฏิบัติเพื่อประเภท 2 ใครจำตำราหรืออ้ากู่บาอาจารย์ได้มากก็ถือ ผู้ใดล้มไหลในตำราและอาจารย์ผู้นั้นไม่อาจพ้นทุกข์ได้แต่ผู้ที่จะพ้น ไม่เคยเห็นปรากฏอะไรออกมาบ้างเลยเคยเห็นปรากฏอะไรออกมาบ้างเลยหรือไม่บางคนก็ว่าตนได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เสมอทํา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 เขาประกอบอาชีพการงานด้วยความยากลําบาก เขายกอาหารขึ้นท่วมหัวแล้วตั้งจิตมีบุญกุศลอะไรบ้างที่หรือเรื่องหนักหนักก็มีบ้างๆ บวชมาแต่วัยเด็กจนอายุใกล้ 60 ปีแล้วเป็น ปปฏิปทาของท่านเป็นที่ยอมรับว่าจะต้องอยู่ในสมณวิสัยตลอดตลอดชีวิตหากเป็นไม่ อาจารย์สําเร็จกล่าวต่อหลวงปู่ว่ากระผมอยู่ไม่ได้เพราะไปภาวนาดู อยู่รับ 30 กว่าจนถึงวาระสุดท้ายของท่านนั้นจนถึงวาระสุดท้ายของท่านนั้นเช่นมี ก็ถามเขาว่าเริ่มทําไมมีคนขอให้บอกวันเดือนฤกษ์ดีก็บอกเรื่องทําโดยกิริยาบางครั้งอาตมา ที่เป็นหรือไม่ถนัดใจครั้งแรกคือส่วนทําให้หลวงปู่ต้องแวะเกี่ยวสกลนครมีพระเถระฝ่าย ที่มาขอให้หลวงปู่เป่าหัวเมื่อเห็นท่านเฉยอยู่จึงขอร้องทั้งว่า การกระทำของเราในสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกิริยาภายนอกที่เป็นไปเพื่อสังคม รับบริษณ์ทุกคนรับบริษณ์ทัพน์ธรรมกันที่ได้ดีมีทางเดียวพรณิพานการที่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ถูกทางแช่นี้มีน้อยนักหากปลอยโอกาสให้ผ่านไป แล้วจะต้องหลงอยู่ในความเห็นผิดอีก คือหลวงปู่เปรียบเทียบธรรมะให้ฟังมีอยู่อีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ จึงเข้าพระนิพพานไม่ได้จิตที่แจ้งในอริยมรรคเท่านั้นจึงเป็นปลายเพื่อการตรัสรู้จริงตรัสรู้ยิ่งตรัสรู้พร้อมเป็นปลายเพื่อเรื่องวิธีระงับ 2520 โลกธรรมฝ่าย คือเสื่อมราบเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาตะทุกแน่นอนความทุกข์โศกอัน บุคคลไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมัน หรือคล้ายมาจากสูตรเว่ยลางเป็นต้นอาตมาเรียนถามหลวงปู่ก็หลายครั้งในที่สุดท่านกล่าวอย่างเป็นกลางว่าสัจธรรมทั้งหมดก็นําโลกพาทยาสายของสัตว์ไม่เหมือน เมื่อมีนักปลาดฉลาดสรรหาคําพูดให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะอธิบายสัจธรรมนั้นเรื่องละเอียด โรงพยาบาลวัดป่าโคกหมอนได้เข้าสนทนาธรรมๆไปว่าได้บำเพ็ญสมาธิภาวนามานาน เข้าใจสารพางกายได้มาตรวจสอบจิตครบถ้วนเรื่องว่างในสมัยต่อมาสมัยต่อมาหลวงพ่อ ล้างจากหลงปุได้แนะนำข้อปฤิบัติแก่ผู้ที่เข้ามาใหม่แล้วหลวงพอเบตรถามถึงข้อปฤิบัติที่หลวงเปลือขนาที่แล้วว่าการปล่อยวางอารมณไม่อาจให้อยู่ได้เป็นเวลานานหลงปุว่าแม้ที่ว่าปล่อยวางอารมณ์ได้ชั่วขนาที่ little ถ้าสังเคตอ09 созд ก็อาจเป็นได้ว่าละจากอารมณ์อยากไปอยู่กับอารมณ์ หลวงปู่อธิบายว่าจิตปรุงกิเลสคือการที่จิตบังคับให้กายวาจาเป็นให้แล้วยึดติดอยู่ว่า สำคัญผิดจากความเป็นจริงอยู่ร่ําไปเรื่องรู้จักการเรียนกับรู้จัก สมาธิเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรักษาศีลคือจิตที่มีความมั่น เรื่องอุบายคลายความยึดเมื่อกระผมทํา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 มาปฏิบัติภาวนาไม่ได้ผลหรอกหลวงปู่เห็นว่าอย่างไรเพราะเขาว่าขายของเอากําไรก็เป็นบาป ไม่เป็นบุญตัปปการใดส่วนการประพฤติธรรมนั้นเป็นสิ่ง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 เพื่อนกินมีอีกสมัยต่อมาประมาณ 4 เดือน วางรูปถึงสุขภาพไม่ดีวางรูปเกือบไม่พ้นพรรษาการทําความ คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินแล้วเค้าไม่ได้ 2 ค่ํา 3 พุทธศักราช 2522 หลวงปู่ภัทริธวัชป่าประโคนชัยเวลา 2 ทุ่มผ่านไป สามารถพิสูจน์ได้ว่าเมื่อหันไปบริโภคผักแล้วจิตใจท่านผู้ใดสามารถฉันมังสวิรัตได้ก็เป็นการดีมากขออนุโมทนาสาธุด้วย ได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็เรื่องความครั้งหนึ่งยังฝัง มากราบนมัสการหลวงปู่ฟังโอวาทของหลวงปู่แล้วหลวง อย่าให้จิตล่างไปสู่อารมณ์ภายนอกถ้าเผลอ 2520 หลวงปู่รับ ในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลด้วยเมื่อเสร็จพิธีแล้วออกมานั่ง ส่วนตัวเรานั่งทําสมาธิเรื่องอยากเรียนเก่งหนูได้ฟังคุณตาสรสักกองสุขแนะนําว่าถ้าใครต้องการเรียนเก่งและฉลาดต้องหัดนั่งภาวนาทําสมาธิให้ใจสงบเสียก่อนหนูอยากจะเรียนเก่งเรียนฉลาด บางทีก็ยิ่งทวีความฟุ้งซ่านมากขึ้นก็มีเมื่อใจไม่สงบเช่นนี้ทําอย่างไรจึงจะเรียนเก่งเจ้าคะหลวงปู่ว่าเรียนอะไรก็ให้มันรู้อันนั้นเดี๋ยวก็เก่งเองแหละเรื่อง ไปทุรดงเพื่ออะไรพระเช่นส่งเครื่องบ้าง หลวงปู่จึงกล่าวท่ามกลางคณะกรรมฐานว่าการกระทำตนทุกองค์พึงสําเด็จให้มากว่าการประพฤติทุโดงกรรมฐานนั้นมุ่งการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจ เรื่องหยุดกระผมพยายามหยุดคิดหยุดนึกให้ได้หยุดให้เป็นนักปฏิบัติกราบเรียนหลวงปู่ว่ากระผม ก็แสดงถึงความผิดพลาดอยู่แล้วถ้าบอกให้หยุดคิดเรื่องเรื่องผลคล้าย ซึ่งพอดีกับวันออกพรรษาแล้วได้ 2 การศึกษาธรรมการศึกษาธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติการอ่านการฟังสิ่งที่ได้ก็เรื่องมีอยู่จุดเดียวใน หลังจากพระมหาเถรีสุขถวายสักการะแก่หลวงปู่แล้วท่านได้ให้โอวาทแบบปรารภธรรมะว่าผู้ที่สามารถสอบประเรียน 9 ประโยคได้นั้นต้องมีความเพียรอย่าง หลวงพระธรรมทั้งกล่าวว่าพระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นออกไปจากเรื่องโลกกับธรรม 12 มีนาคมพุทธศักราช 2522 หลวงปู่ไปพักสกลนครเป็นเวลา ค่ําวันสุดท้ายที่หลวงปู่จะเดินทางกลับท่านอาจารย์สุวัฒน์พร้อมพระเนตรในวัดเข้าไปกราบหลวงปู่เพื่อการ สิ่งใดไม่มีอะไรจะรู้ได้สิ่งโลกมีของเรื่องควรถามหรือไม่ผู้สนใจ มีพระนักปฏิบัติคณะหนึ่งจากภาคกลางไป ถึงสิ่งสุดยอดอนัตตาสุญญตาถึงพระนิพพานกระผมขออภัยที่บาง อยู่ที่วัดโคกหมอนแม้ท่านจะบวชเมื่อวัยชราแต่ก็เคร่งครัดต่อการปฏิบัติสุดงกรรมฐานอย่างยิ่งหลวงปู่เคยยอกย่องว่าปฏิบัติได้ผล แล้วล้มตัวนอนตามเดิมโดยไม่ได้พูดอะไรแต่มีอาการยิ้มและ เรื่องหวังผลไกลเมื่อมีแขกดูบาสก พวกเราไม่จําเป็นต้อง 13 กันตั้งหลายวัดท่านว่าอานิสงส์การฟัง กลับไปห่างไกลถึงสิ่งที่เป็นแต่เพียงการกล่าวถึง ผู้มาปฏิบัติอย่างลังเลใจเสียดายในความสนุกเพลิดเพลิน โลกนี้มีอยู่แค่นั้นเองแล้วก็ซ้ำๆซากๆอยู่เรื่อง ไม่ยากสําหรับผู้ไม่ติดอารมณ์วัดบูรพาราม 50 ปีไม่ได้ไปจําพรรษาที่ไหนเลย ซะเสียงอึกกระทึกครึ้มตลอด 7 วันบ้าง 15 วันบ้างภิกษุสามเณรผู้ยังมีจิตใจอ่อน เราให้ใส่ใจฟังเสียอย่างทั้งหมดเรื่องจงทําตัวเรา ครั้งนี้เช่นถามท่านว่าท่านว่าในตํารากล่าวว่ามี และไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนและยิ่งกว่านั้นเพราะในเนื้อแลอง 8 องค์เรื่องแบบมโนสาเร่ก็ ทั้งคนปัญญาดีและปัญญาอ่อนนำมาถกเถียงกันยัง เอาไปปฏิบัตินวดเท้าถวายท่านแล้วถามว่าหลวงปู่ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อน เพื่อคลายความกำหนัดยินดีเพื่อความดับทุกข์ไม่ใช่เรื่องละอย่างหนึ่ง ลูกศิษย์ฝ่ายคฤหัสถ์ผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเข้านมัสการหลวง จิตดิ่งสู่สมาธิหมดอารมณ์อื่นเหลือแต่ความสุขสุขอย่างยิ่งเย็นสบายแม้จะให้อยู่ตรงเออก็ดีแล้วที่ได้ ที่จะตัดขบชาติตัณหาอุปาทานได้ให้ละคือ วิจิตไม่อาจกลับกลายไปเป็นจิตปุถุชนเรื่องตัว มรรคผลนิพพานเป็นสิ่งประจักษ์ตังคือรู้เห็นได้เฉพาะตน เต่าอยู่ได้ 2 โลกคือโลกบนบกกับโลกในน้ําส่วนปลาอยู่ได้โลกเดียวคือในน้ําขึ้นมาบนบกก็ตายหมดวัน บนบกน้ําลึกมากมั้ยเต่ามันจะลึกอะไรก็มันบกเอบนบกเอบนบกนั้นมีเปือก จิตกุฑุชนที่เฒ่าเรื่องภายนอกกับ 2524 หลังจากหลวงปู่กลับจากเข้า เริ่มต้นด้วยคำถามว่าเขาว่าคนผมหลวงปู่ลุกขึ้นนั่งจับ เกิดในจิตของเหล่าพระอริยเจ้าเท่านั้นไม่มีได้สามัญชน องค์เช่นมีพระผู้ใกล้ชิดองค์หนึ่งชอบหรือ พระองค์นั้นจึงกลับมา 227 จนลืมรักษาศีล 5 เรื่องไม่เคยเห็นหวั่น หลวงปู่ขาวมรณภาพเสียแล้วหลวงปู่แทนเออท่านอาจารย์ขาวก็หมดภาระการ 4 ปีที่ผ่านมาเห็น จนกว่าจะขาดจากกันได้กว่าจะขาดจากกันได้ไม่เกี่ยวข้องกันอีกเรื่องผู้ เมื่อไฟไหม้จังหวัดสุรินทร์ครั้งใหญ่ได้ผ่านไป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 เมื่อประสบกับภาวะไม่ให้ตายแล้วจะไม่ใช่อย่างนั้นใจอย่างไรจึงไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ทั้งห้างไม่ใช่ธรรมะ นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงประการใดหลวงปู่ไม่เคยค้นคว้าหาเหตุผล ท้า 16 ชั้นตามตำราผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ย่อมได้เลื่อนฐานะ ความสงสัยก็หมดไปเองโดยชิ้นเชิงเรื่องเขาต้องการอย่างนั้นเองแม้จะมีคนเป็น แค่อุปจารสมาธิก็เป็นได้แล้วทุกอย่างมันออกไปจากจิตทั้งหมดอยากรู้อย่างเห็น ส่วนการที่จะขจัดกิเลสเพื่อทําลายอวิชชาตัณหาเรื่องแปลกดีหลังจาก หลวงปู่ต้องปีนเขาจากที่ไกลด้วยความเหนื่อยยาก ท่านสนทนาวิสาสะกันด้วยบรรยากาศที่สงบเยือกเย็นยิ้มยามแจ่มใส ไม่มีวิบากของสังขารเมื่ออาศัยไม่ได้ปล่อยทิ้งไปเรื่องยิ่งแปลกอีกไม่ต้องสงสัยว่าญาติโยม ตากล้องเจ้าสุรินทร์ 2 คนตั้งหน้าถ่ายรูปเอาอย่างเต็มที่ขากลับคนรถบัสนิ้วจําหน่ายเอาเงินบํารุงวัด เมื่อปรากฏว่าเอาฟิล์มไปล้างแล้วปรากฏว่าฟิล์มที่อุตส่าห์ 20 ครั้งนั้นมีฉะนั้นความหวังที่เม 3 ท่านนั้น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 แม้แต่การศรพิธีกรรมหรือศาสนพิธีและการทำบุญบริจาคทานอะไรในระดับศีลธรรมเรื่อง ปกตินิสัยประจําตัวของหลวงปู่ทางกายมีร่างกายแข็งแรง ปราศจากมานยาทางคำพูดคือไม่พูดเลียบเคียงไม่พูดโอไม่พูดความฝันไม่พูดเล่านิทานชาดกหรือนิทานประเพณี ไม่เคยมีอาการกระวนกระวายวู่วามไม่แสดงอาการอื่นอึดอัดหงุดหงิดหรือรำคาญไม่แสวงหาของหรือสั่งการณ์ไม่ถูกภาวะอื่น ท่านสอนอยู่เสมอว่าให้ทําเป็นวันที่ 17 ของการอยู่โรง ค่อยหายใจโดยตลอดเวลาดึกมากแล้วคือ 6:00 น. กว่าท่านอาจารย์ยันตระพร้อมด้วยบริวารหลายท่านเข้าไปขอกราบเยี่ยมหลวงปู่ หลวงปู่ตอบว่าเรื่องเดินทาง 20 มีนาคม 2526 ก่อนที่หลวงปู่ เมื่อพิธีถวายสังฆทานผ่านไปแล้วมีนายแพทย์และ หาโอกาสเจริญภาวนาสมาธิได้ยากมีวิธีใดๆหรือโดยย่อที่สุดหลวงปู่ตอบ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 ทุกอย่างรวมอยู่ที่ความประพฤติคือเรื่องเคราะกรรมบาบุญอะไรทั้งหมด มีปฏิปทาดีน่าเชื่อถือแม้พระด้วยกันก็ การสำรวมสัมเนียกในพระวินัยอย่างเคร่งครัดและสมาทานศีล หยุดการปรุงแต่งหยุดสะอาดสว่างว่างมหาสุญญตาว่างมหาศาลอ่าภาคครั้งสุดท้ายหลวงปู่ ละดำรงอยู่ 8 เดือนเท่านั้น 96 ปีได้จัดคืออ่อนเพียอย่างมากทําบุญฉลองเป็นกรณี ห้ามเอาท่านไปพอถึงไปก็ไม่หายเรียนท่าน ตาสีผิวพรรณวรรณะสดใสเปี่ยมปรั่งอย่างผิดปกติเวลา 15:00 น. นพระเถระฝ่ายป่าได้เข้าไป ไปตลอดสายเหมือนหนึ่งแกะข้อค้องใจให้ เวลา 4:00 น. ผ่านไปหลวงปู่ให้พาท่านเข้าห้องนอนเหมือนเดิมท่านอยู่ในรูปสวดมนต์ 7 ตํานานย่อ 3 จบแล้วให้สวดอีก 3 จบหลัง อ่านในที่นั้นไม่มีองค์ไหนสวดได้สักบุญที่ท่านอาจารย์พูนศักดิ์ซึ่งอยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ตลอดมามีหนังสือฉบับหลวง ทำให้พระธอกองค์แปลกใจมากพระตรง 172 พระสูตรถึง 2 ชั่วโมงกว่าจึงจบท่านฟัง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 หรือวิถีจิตอันปกติของมนุษย์ครบคร่องทั้งสติ คือแม้การเวลาก็เหมาะสมพระพุทธองค์หนองปู่ก็สิ้นสุดปีครั้นได้ 4 ร่วงไปแล้ว 45 ปีก็ ผู้ควรได้รับการเสด็จไปโปรดถึงคราว 2431ณบ้านประสาทอำเภอเมือง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามสมเป็นเนื้อนาบุญ 30 ตุลาคมพุทธศักราช 2526 หลวงปู่ก็ปล่อยวาง เป็นวันที่คณะศิษย์ทั้งหลายท่านบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งฝ่าย 96 ปีคือ 8 รอบถวายท่านเป็นกรณีพิเศษ เพราะ 96 ปีล่วงแล้วก็จริงๆทั้งสิ้นสิ้นเมื่อถึงคราวดับ ไม่เปลืองหมอไม่เปลืองยาไม่เปลืองเวลาของท่านผู้ใดท่ามกลางความสงบ และอะไรอวรอย่างนี้รู้แล้วหลักธรรมของหลวงปู่ดูนอาตุโลจิตคิดจิตเกิดจิต จิตถูกทำลายทิ้งหมดรู้หมดมีความกำหนัดจิตไม่ถูกทำลายทิ้งหมดรู้หมดทิ้งหมดได้จิตเข้ามรรคจิตแล้ว ผู้รู้ไม่คิดผู้คิดยังไม่รู้รู้แล้วไม่ต้องคิด และไม่ยึดมั่นธรรมต่างๆธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วบาปบุญเปรียบเหมือนม่าน เพราะว่าจิตคือตัวหลักธรรมว่าๆเลยภาวนามากๆแล้วจะรู้ถึงเปล่าเปล่าบริสุทธิ์จบบันทึกคติธรรม